พระธรรมเทศนาแผนที่110ดลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่3ามกันยายน2560มีชื่อเรื่องว่าเจ็บปวดจนเข้านิพพานออที่ขอสกพูดจบลวงสักครูนี้คงจะลิดรอน ทางวันทางวัดป่าบ้านคอลงไปกำมังเนี่ยฮพราะป่าวัดปา่ปาบ้านคอแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยี่สิบสามบาทได้เห็นตัวนี้เขาเพิ่มกูมานี่เป็นหนึ่งล้านบาทนะเออเอาเงินจดมาเพิ่มใช่ไหมแปลว่าของบ้านคอนี่ยหนึ่งล้านบาทวันนี้เป็นฮีโร่เลยนะวันนี้นะนําทีมเลยในแนววันนี้นะน แต่หลวงพ่อเองก็ติดนวมปลายนวมหน่อยหนึ่งวันนี้นะหลวงพ่อเอามาร่วมสมทบคณะสงฆ์คณะสัทธาิาโยมวัดป่านาคำน้อยร่วมสมทบผ้าป่าเพื่อสร้างโรงพยาบาลอำเภอสังคมจำนวน 112,200 บาท ถ้าหากว่าหลวงพ่อนะไม่ได้คิดสร้างเจดีหลวงตานรือหลวงพ่อคงจะใจใหญ่กว่านี้เดี๋ยวนี้ใจหลวงพ่อใจไม่ใหญ่เลยว่าือนันเถอะเพราะจะได้สร้างเจดีของหลวงตาเนี่เก็บหอมรอมริบอยู่คณะศรัทธาญาติโยมนอะฟังเนอะนี่แหละถึงอย่างไงก็ผู้การผู้การหน่วยของเรานะเส้สหน่วย จนเรกว่าเสียหน่วยเสียหน่วยเพรอไรเพรท่านอยู่เมืองอุดรนาฏตั้งแต่จะเป็นเสเยอะไรกันเถอะไทยเมืองอุดรก็เลยเสหน่วยมดว่ขนาดเป็นผู้การเป็นพลโทนั่นเองที่ว่าเสียหน่วยอยู่นี่แหละถ้าผู้การอับหน่วยผ่านไปแล้วนะเกษียณไปแล้วหนึ่งก็มอบให้ท่านผู้การกนกนะที่นี่นะผูอผู้การกนกผู้ม่วงนี่แหละพอบพอบมทบยี่สบสี่ รับภาระเรื่องเจดีของหลวงตาเนยะังไงยังไงหลวงพ่อนี่มอบความไว้วางใจนะให้ช่วยดูเจดีหลวงตาสร้างปูสร้างุญสร้างกุศลมหากุศลตัวนี้ยิ่งใหญ่มากนะเจดีของหลวงตา น, ะนี่ละกำลังเริ่มกันอยู่แต่ใครคิดว่าเรื่องจะุกปัจจัยก็ไม่ไม่ถึงกระกใจนะแต่ก็ไม่ไม่ควรจะชลาใจคงจะไปเรื่อยๆคงคงคงจะไม่มีปัญหาเพราะเราเชื่อมั่นใน บุญบา ร, รมีของหลวงตาหลวงตาได้สร้างบุญบา ร, รมีมากมากพอสมควรไม่ใช่มากพอสมควรมากที่เดียวเอารวมยอดนะวันนี้พวกเราจะได้ยอดเท่าไหร่ทั้งหมดวะเที่ได้อ่านไปแล้วน่ะแต่ก็หลวงพวว่อก็เนี่ยหนึ่งแสหนึ่งหมื่พแต่ตามจริงปัจจัยที่ก่อนที่หลวงพว่อจะออกมาเนี่ยหลวงพวว่อก็ประกาศเอ้ยศรัทธาญาติโยมผู้ที่มาวัดวันนี้นะ ใครจะทำบุญร่วมสร้างโรงพยาบาลเอามาเน่าวเขาก็ได้หนึ่งห่นออะแต่ปัจจัยของอวัดของหลวงพ่อเนี่ยหนึ่งแก็เลยได้เป็นหนึ่งแสนหนึ่งนสองพันะเอาต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรให้ฟังก่อนนะนาคณะสัติาจอมก่อนที่พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร อันนี้พระสงฆ์รับแล้วนะท่านโยมผู้การได้ถวายแล้วกับคณะนะคณะสัทธาญาติโยมมีผลตรีกระนกผูม่วงพอบอมทบอทอบสี่อุดรที่ได้กล่าวคำถวายผ้าป่าจบลงสักครู่นี้เป็นผู้นำถวายผ้าป่าพร้อมกับคณะสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายถือว่าวันนี้เป็นวัน มงคลมาหามงคลยิ่งวันนี้เป็นวันที่สามกันยายนพุทธศักราช2560ที่หลวงพ่อเล็กหลวงพ่อเองทราบม า, มาตั้งแต่เริ่มแรกเพราะว่าทั้งสองท่านคือหลวงพ่อจันมีกับหลวงพ่อเล็กที่ท่านอยู่ในอำเภอสังคม เห็นว่าอำเภอสังคมเป็นอำเภอสุดท้ายปลายแดนของจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดอำเภอที่อยู่ห่างไกลแล้วก็พร้อมพร้อมกันก็ติดฝั่งแม่น้ำโขงประเทศลาวแล้วก็เป็นอยู่ในละแวกหุบเขาพอสมควรแต่ตามไม่จริงโรงพยาบาลก็ยังเป็นโรงพยาบาลอำเภอยังเล็กอยู่ท่านทั้งสองก็ มีความเห็นพร้อมต้องการว่าน่าจะสร้างโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมอย่างน้อยก็ให้เป็นเคียงคู่กับโรงพยาบาลอำเภอท่าบอ่ อ, อเพอราะโรงพยาบาลอำเภอท่าบ่อถึงจะเป็นโรงพยาบาลยุพ ร, ราชหรือว่าโรงพยาบาลอำเภอแต่มีศักยภาพไม่แพ้จังหวัดเลยนะ ที่หลวงพ่อฟังฟังเพราะว่าการบริหารจัดการทุกอย่างรู้สึกว่าโรงพยาบาลอําเภอท่าบอ่อของเราเนี่ยเป็นอำเภอเป็นโรงพยาบาลที่ เ, เป็นแนวหน้าของของโรงพยาบาลอําเภอนะอแต่ก็ไม่ใช่แนวหน้าของโรงพยาบาลจังหวัดนะแล้วไม่ใช่โรงพยาบาลศูนย์ที่หลวงพ่อได้พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าหลวงพ่อนเกี่ยวข้องกับ โรงพยาบาลแลืวว่าเกี่ยวข้องกับส่วนราชการถ้าจะว่าไปแล้วก็มากพอสมควร mm hmm. เพราะว่าอย่างเมื่อข่าวเมื่อไม่กี่วันมานี้นะ่ะเมื่อวันที่31น ะ, ะหลวงพ่อก็ไปนูนนะ่นไปมอบทุนให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นออกไปตั้งแต่ตีสีกว่าๆน ะ, ะไปถึงที่นู่นก็เห็น นักศึกษามหาวิทยาลัยครูบาอาจารย์ท่านอธิการบดีคณะบดีทุกหมู่เหล่ามอบทุนให้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ยากจนเขาคิดคน้นหรือว่าเลือกมาแล้วนะกลว่าครอบครัวไม่เงินไม่ไม่ถึงหก0มืนต่อหนึ่งปีแต่การตามกฎระเบียบของ ท่านอธิการบดีท่านบอกว่านักเรียน น, นักเรียนท่านนักเรียนคนใดถ้าสอบข้อมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คนนั้นต้องได้เรียนอันนี้ก็คือตามที่ท่านได้ตั้งจิตปณิฐานเอาไว้นะจากนั้นท่านก็หาทุนเลยทีนี้เพื่อจะให้ลูกหลานเหล่านั้นได้เรียนได้ศึกษาที่เป็นนักเรียนที่ยากจนเดี๋ยวหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะ ที่ขเขามีความสามารถเขามีความตั้งใจนี่แหละทรัพยากรที่ว่าเป็นที่จะเป็นแพทที่จะนําประเทศชาติเพราะต้องเอาคนเฉลียวฉลาดที่คนมีความตั้งใจเรียนแต่เขายากจนแต่มันเลือกเกิดไม่ได้นะแต่ว่าการเรียนของเขาเนี่ยเก่งหลวงพ่อก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นวันนั้นหลวงพ่อก็ได้ไปมอบก่อนหน้านี้เขาก็ให้หลวงพ่อเป็นประธานฝ่ายสงหาทุน พี่ให้น้องมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นก็ได้เงิน3มล้านส้านแสนกว่าบาทมาแต่ไปเมื่อวันนั้นเขาเลยมอบให้ร้อยทุนทุนละสามหมื่นทุนละสามมื่นร้อยทุนหลวงพ่อเป็นผู้มอบแต่มีท่านอธิการทั้งคณะบอดีนั่งเป็นสักขีพยานหมดไป3ล้านนี่แหละ พอจากนั้นก็หลวงพ่อก็ให้แนวบอกกล่าวให้กล่าวสัมมท่านนิยมคถาในวันนั้นฮะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อท้าวความให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังหลวงพ่อเองถึงจะอยู่ป่าดงพงไพยห่างไกลจากความเจริญแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ปล่อยป่าละเลยละทิ้งการศึกษาเรือการพยาบาลหรือวัดวาศาสนาใครๆวัดได้จะถปะจัจจัยบ่อแลวก็แบ่ง ซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังให้ทั้งโรงเรียนให้ทั้งการแพทย์ให้ทั้งวัดวาศาสนาอย่างนี้นะวันวันนี้ก็ได้มาพบทา ง, โร ง, โ, รงรโรงพยาบาลแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่หลวงพ่อไปหาทุนให้คราวนั้นหลวงพ่อเขาเนี่ยนะโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นเขาเข้ามาหาหลวงพ่ออีกว่าอยากจะได้เครื่องมือตัวหนึ่ง แต่พอะเครื่องมือตัวนี้ไม่มีในโรงพยาบาลและก็มีความจำเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคเบาหวานมีมากบางทีโรคเบาหวานขึ้นตาแล้วไม่มีเครื่องมื อ, เ, อเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือที่เก่าไม่สามารถที่จะทำะรักษาโรคตาได้อย่างละเอียดถีท่วนเพราะว่าโรคเบาหวานขึ้นตา เ, เป็นถ้าหากว่ารักษาไปดีตาบอดได้ง่าย หลวงพ่อเขมาคิดเออตาเนเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญถ้าหากว่าตาบอดออถ่าในครอบครัวถ้าพ่อแม่ตาบอดเจ้คนหนึ่งออถ้าหากว่ามีสามคนออลูกก็ต้องเฝ้าแม่เฝ้าพ่อคนหนึ่งคนหนึ่งต้องไปหาอยู่หากินมาเลี้ยงสองคนถ้าหากว่าพ่อแม่ตาดีกับเป็นผู้เฝ้าบ้านพ่อลูกหลานก็จะไปทำมาหาเลี้ยงชีพออก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจมันโยงใยกันไปหมด เพราะนั้นหลวงพ่อมาคิดจุดเนี่ยเออหลวงพ่อเอาตกลงให้แต่ว่าเขาบอกว่าราคาสมล้านแต่หลวงพ่อก็จนนะก็เลยให้พระติดต่อประสานทางบริษัทเขาก็เราเห็นว่าวัดซื้อไม่มีเงินค่าคอมมิชชั่นจ่ายโดยตรงจ่ายงวดเดียวหลวงพ่อบอกอย่างนั้นนะเพราะต้องมีซะก่อนยังค่อยจ่ายต้องลับรับปากนะบริษัทเขเลย เอาลถลงให้เป็นสองล้านหกแสนนะเออก็ได้สั่งเครื่องมือเข้ามาแล้วมามาพอมาถึงแล้วเขาก็ถามว่า <S <S <S จะเอาเครื่องมือมาให้หลวงพ่อดูก่อนไหมไม่ต้องไม่ต้องเอาไปทดลองใช้เลยเออให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าใช้ได้ดีแล้วก็เนี่ยแหละเอาตัวตัวหนังสือเอาแต่ถ่ายเอกสารมาให้หลวงพ่อดูเท่า น, นั้นแหละไม่ต้องเอาเครื่องมือมาเออหลวงพ่ออยากจะให้มันเกิดประโยชน์ให้เร็วที่สุดนะจากนั้นเขาก็ เอาเข้าโรงพยาบาลเมื่อไปเมื่อวันที่31ที่ผ่านมาเครื่องมือเพิ่งเข้าโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นเพียงเดือนสองเดือนนะสองเดือนกว่าๆ เ, เขาก็บอกว่าเขานำไปใช้กับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย500กว่าคนแล้วครับ500กว่าคนและเจ้าค่าหลวงพอ่อหลวงพ่อได้ยินเพียงแค่นั้นหลวงพ่อก็โอ้ภาคภูมิใจเพราะเหตุใด เพราะจะตุปัจจัยจัท ธ, ธาญาติโยมถวายจตุปัจจัยมากับหลวงพ่อหลวงพ่อเก็บหอมรอมริบคนละมากคนละน้อยพอได้เป็นก้อนขึ้นมาหลวงพ่อก็ได้ให้กับสาธารณชนคืนให้กับสาธารณชนหลวงพ่อได้ยินแล้วก็โอ้มีประโยชน์แปลว่าให้ให้จตุปัจจัยให้สิ่งของไปทุกจดุดหลวงพ่อว่าอย่างนั้นนะนี่แหละหลวงพ่อพูดเมื่อวันที่31เเพราะว่าเขามารายงานในวันนั้นนะ อันนี้ลงเเผวท้าความให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังอย่างวัดวาศาสนาอย่างหลวงพ่อเล็กในกรมวิทยากันท่านก็สร้างโรงเรียน เ, เมื่อไม่นานมันได้ก่สร้างให้โรงเรียนท่าบ่อหลวงพ่อก็ได้ไปมอบอกับคณะสงฆ์อยู่นี่แหละท่านก็มองดูสาธารณประโยชน์ไม่แพ้กันนี่แหละวัดวาศาสนาท่าฮวาหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าว ไม่แนะนำให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังก็เหมือนกับพระสงฆ์อยู่ในวัดวาศาสนาก่อนแล้วนินกินแล้วนอนกินข้าวแล้วก็ไม่ได้คิดในอ่านอะไรอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่สาหรับครูบาอาจารย์อย่างพวกหลวงพ่อทั้งหลายได้นั่งอยู่ด้วยกันนี่หน่โดยมากไม่ได้มองไม่ได้มองข้ามชุมชนและสังคมมองเห็นว่าจะึิงไหนจะเกิดประโยชน์เมื่อข่าวที่แล้วนะ หลวงพ่อเล็กท่านก่สร้างอาคารขึ้นมาก็มีปัญหาทุนไม่พอเนี่ยล้วผมลวงพ่อท่านก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อเออเขาก็จะหยุดงานพักซะก่อนเพราะว่าทุนไม่พอหลวงพ่อเอยเล็กแต่ถ้าเป็นไปได้ควรจะทอดผ้าป่าควรจะพยุงไปเรื่อยๆถ้าหยุดแล้วมันตั้งต้นใหม่มันยากนะเมื่อข่าวทีแล้วเดือนพฤษภาฯนะข่าวนั้นก็ได้มาทอดผ้าป่าที่โรงพยาบาล ก็ได้ทุนมาทั้งสิบเอล้านนะข่าวที่แล้วนะแต่ตามไม่จริงที่แรกได้9 000, นะ้า 9, 000, ล้านนะพอได้เก้าล้านหลวงพ่อหลวงพ่ออเลยมาช่วยอีกคราวนั้นหนึ่งล้านนะ 1, 000, นะอใครเขาว่าแตะโป่งแล้วข่าวนั้นะยังไม่มีเงินนะแตะโป่งไว้ก่อนนะาจากนั้นก็ได้พอกลับมาจาก อ, าอินโดนีเซียแล้วก็ได้โอนมาให้ท่านท่านก็ได้สิบเอ็ล้านจากนั้นท่านก็ได้ออนให้บริษัท บริษัทเขาก็ยังทํางานกระทั่งทุกวันนี้และก็เมื่อทํางานไปแล้วก็เงินมันก็ยังไม่พอก็ยังขาดอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าอาจารย์พระครูอาจารย์เล็กท่านก็บอกว่าน่าจะมีการทอดผ้าป่าอีกเพื่อจะสมทบทุนเข้าไปอีกนี่แหละหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะเพราะเห็นอะไรอยากจะให้มันสําเร็จลุล่วงเมื่อสําเร็จแล้วก็ไม่ใช่ของหลวงพ่อเล็กนะไม่ใช่ของหลวงพ่อจันมีนะไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใด เป็นของประชาชนทั่วประเทศทั่วโลกเพราะเหตุไรจังหวะทั่วโลกถึงจะฝรัง่งมาจากประเทศไหนก็จะมาพักผ่อนอยู่ที่อำเภอสังคมถ้าหาว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอำเภอสังคมนน เ, เพราะนั้นอำเภอโรงพยาบาลเป็นสาธารณะของชุมชนทั่วโลกพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดนะเพราะนั้นในวันนี้พวกเราก็ได้มาสร้างบุญส่วนหนึ่ง คือช่วยสาธารณประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือในหลักของพุทธศาสนาท่านก็บอกไว้การทําบุญการสร้างสาธารณประโยชน์ก็เข้าทํานองแล้วว่าเขาเท้าตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ว่าขยะวยธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะทัมปาเดทาติพระพุทธองค์ก่อนที่จะปฏิบัติานที่จะ ไม่โพดอะไรอีกเป็นวาจาสุดท้ายที่ว่าขยะวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเน้อเกิดแก่และก็เจ็บตายในที่สุดและก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดนี่แหละใครก็สังขารเราเกิดมาแก่เจ็บตายไม่มีใครจิตที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้อย่างที่พระพุทธองค์ตรัส แต่ว่าพวกเราควรจะยังประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คืออย่าให้ขาตดตกบกขาตดตกบกพ่องอทำหน้าที่ของตนทำมาำมาหาเลี้ยงชีพประโยชน์ตนแล้วก็บำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตนเองอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปประโยชน์ต่ประโยชน์ท่านก็นี่ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างวันนี้พวกเรามาช่วยเหลือชุมชนสังคมบริจาคคนละมากคนละน้อยอาตามกำลังศรัทธาของพวกเราที่มีอยู่ การทาบุญก็ไม่ให้ตนเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้จนทำตนให้เป็นคนขี้ตะนีทีเหนียวจนไม่รู้จักทาบุญทาทานก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่พวกเราได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ที่ว่าพวกเราปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประโยชน์ตนพวกเราก็ทำหน้าที่นะประโยชน์คนอื่นประโยชน์สาธารณประโยชน์เราก็ได้ ช่วยกันคิดช่วยกันทำอันนี้คือโอวาทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งเสียพุทธบริษัทของพงค์แล้วก็จากนั้นก็ปิดพระโอษฐ์ปิดปากฮะไม่พูดไม่ตรัสอะไรอีกเลยทําการปรินิพานนี่แหละอันนี้ก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ตามไม่จริงในหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะที่พระพองค์เสด็จประทรับอยู่ที่กรุงสาวัตถี พระองค์กับปารพเนี่ยเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของพระสงฆ์ในยุคสมัยนั้นนะอพอยุคในสมัยไหนกนะ็เถอะนะการเจ็บไข้ได้การเจ็บไข้ไ ด, ขได้ป่วยต้องมนะอีอันนี้ท่านปารพถึงพระติดสะนะหรือกออับ ข, ขี้เลม ข, ขี้เลมานนสูตรก็มีนะแต่หลวงพ่อจะยกเรื่องพระติดสะเถระนะที่ท่านหนึ่งพระติดสะเถระท่านอยู่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารนะ วันหนึ่งต่อมาท่านกับบวชอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นพอสมควรฉะนั้นท่านกับเป็นโรคภัยไข้เจ็บอันดับแรกก็เหมือนกับร่างกายเป็นผื่นคันนะพอเป็นผื่นคันขึ้นมาแล้วก็พอมาแล้วเป็นก้อนพอเป็นก้อนเป็นตุ่มขึ้นมาเหมือนมเมล็ดเข้าโพดต่อมาเป็นมเมล็ดลูกพทซาต่อมาใหญ่ขึ้นมาทหหลายก้อนทน เออเหมือนกับลูกมาตูมมาตูมมาตาลผลในสวนก็แตกเออเป็นฝนะีพูดบ้านถ้าวอถ้าเรานะเป็นฝีเออฝีใหญ่แต่ี้การป่วยของพระติดสนะนั่นนะ่ะที่แรกก็มีพระภิกษุสงฆ์พวกพระดูแลอุปถัมภ์ประถักพออาการป่วยหนักขึ้นมาดีพระสงฆ์สัมมาเนธละกับเพต น, น, น, นีมันเหม็นนี่มันเหม็นมันข่าวใช่ไหมล่ะคนป่วยนะไม่มีใครดูแล ตอนนี้อุปนิสัยของพัตติสะน่นท่านจะได้สําเร็จมักสําเร็จผลอยู่แต่บาปกรรมของท่านเนี่ยเคยทําไว้ในอดีตชาติท่านใช้กรรมของท่านแต่บุญกุศลของท่านก็ไม่ใช่น้อยอีกเหมือนกันตอนนี้พระพุทธองค์ประทรับอยู่ที่พระคันทัคคูดีจวนสว่างใกล้ใกล้รุ่งนะพระองค์ก็นั่งภาวนาตอนนี้พระติสะคล้ายๆกับ ว, วิญญาณเรื่องว่า ความรู้สึกนึกคิดของพระธิศาสต์เข้าไป เ, เข้าไปในข่ายของพระพุทธเจ้าไอ้ใครว่าเข้าไปในเลดา่านะพระพุทธเจ้าละสายเลดา้าตรวจดูสรรพสัตว์ทั้งหลายในโล ก, กว่าใครจะให้พระพุทธเจ้าไปช่วยพระพุทธเจ้าไปโปรดหรือพระพุทธเจ้าไปแสดงทําให้ฟังจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลมีไหมผู้องตอนสว่างใกล้ใกล้รุ่งนะั้น ตีสามตี4ี่พระองค์จะนั่งสายเลดา้าไปทั่วโลก ท, ท่านก็สายไปก็ไปเห็นพระติสระอยู่ในวัดป่าเชตะวันนะเข้ามาในจอเลดา้านะ เ, เข้ามาในญานณทัศสนะของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็มองดูเอ๊ะเรื่องอะไรนะท่านก็มองเห็นโอ้ติสระนี่ป่วยหนักแต่วันนี้เขาจะตายเขาจะได้ก่อนที่เขาจะตายเขาจะต้องได้ฟังธรรมเทศนาได้รับการอบรมสองเราซะก่อน เขาจะได้สําเร็จมรรคผลเดี๋ยววันนี้เราจะไปไปหาเขาไปโปรดเขาพอพระองค์ฉันพระทหารเสร็จแล้วตอนเช้าอย่างวันนี้อย่างขณะนี้แหล ะ, ะจากนั้นพระองค์ก็เรียกพระอานนท์อานนท์ตามหลังเราพระ อ, อนนท์ก็ตามหลังของตามพระภักตามหลังพระพุทธเจ้าเดินตามหลังพอเดินพระองค์ก็เดินไปเรื่อยอแต่พระอนนท์ไม่รู้ว่าจะเดินไปที่ไหนแต่พระองค์มีจุดหมายแล้วว่าจะต้องเดิน ไปสู่กุฏิพระติสระพอเดินไปก็เห็นพระติสระนอนอยู่ใต้ถุนกุฏินะอยู่ในในเตียงพระองค์ก็เดินเข้าไปถามเอ่ย อ, อะไรติสะเธอเธอหยุดเป็นอะไรพระติสาวาโอเค้าพระองค์ป่วยพระเจ้าข้าทำไมละ่ะไม่มีใครดูแลเหรือไม่มีพระเจ้าข้าแต่ก่อนก็มีอยู่แต่พกข้าพระองค์ไม่มีอติเรกลาบไม่มีใครรู้จักไม่มี อติเลกาลาไม่มีอะไรให้พระเนนข้าพระองค์ก็เลยไม่มีใครดูแลพระเจ้าข้าโอ้ไปอานนท์ไปต้มน้ําพระพุทธองค์บอกให้พระอานนท์ไปต้มน้ำนะพอไปต้มน้ําอุ่นขึ้นมาจากนั้นพระโน่งก็ยกมาจากนั้นพระสงฆ์ก็คงจะมาลงมาต้มกันอะทีนี้พอเห็นพระพุทธองค์เป็นเจ้ากี่เจ้าการจากนั้นพระองค์ก็ได้อน้ําแล้วก็ตักกระบวย y ลอด อาบสง์ให้พระติดสะผ้าอนนรเป็นคน เ, เป็นคนอาบน้ําให้เป็นคนผูร่างกายให้พระสง์ส่วนหนึ่งก็เอาผ้าพระเถะแล้เอาผ้าพระติดสะไปซักพอไปซักก็ไปตกักไปตากแดดให้แห้งไอ้ช่วยกันไอ้ทีไอ้พระ อ, องค์ก็เป็นผู้ตักน้ําลดาผ้าติดสะพระอนนรเป็นคนสงน้ําใหา้นี่แหละพระ อ, องค์มีมีเมตตาถึงขนาดนนั้ท่านไม่ได้ถืออะไร ถือว่าเป็นลูกศิษย์เป็นลูกของท่านคือพระติสระเป็นลูกศิษย์นะ เ, เมื่อเสร็จแล้วผ้าก็แห้งท่านก็ให้เอาผ้ามาห่อห่อพระติสระนะพอห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ให้พระติสระนอนออนอนอยู่ในอริยาบทที่สบายนะสบายตามคนป่วยนั่นแหละจากนั้นพระ อ, องค์ก็ถามว่าติสระเธอให้ความสําคัญชะไหน เธอว่าร่างกายนี่เป็นของตัวตนอย่างนั้นใช่ไหมถ้าว่าเป็นตัวตัวตนของเธอเธอบอกว่าอย่าเจ็บนะอย่าป่วยนะอย่าไข้นะอย่าเจ็บป่วยนะอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บนะเธอบอกได้ไหมบอกไม่ได้พระเจ้าข่าถ้าบอกไม่ได้ว่าร่างกายบอกไม่ได้ว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข่เธอยังสำคัญว่าเป็นของของเธออยู่ใช่ไหมไม่สาคัญพระเจ้าค่า เออนี <us> uh ่แหละให้พี่เจรนานะร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะเออถ้าหาว่าเป็นของเราเราจะบอกว่ายาเจ็บยาไข้ยาป่วยเออมันก็ตอต้องบอกได้อันนี้มันบอกไม่ได้มันเป็นไปตามสภาพของมันมีแต่ใจของเราเท่านั้นล่ะไปพาวบประวนไปทุกข์กับมันเพราะฉะนั้นอย่าไปทุกข์กับมันนะให้ปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นร่างกายสังขารนี่ไม่ใช่ตัวตนของเราเน้อติสานะให้พิจารณาเน้อ ให้ปล่อยวางเนะเอารัตนิพนธ์จากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับกุตินะพราะกลับกุติไม่นานพระติสตาท่านก่อได้มรณาภาพเพราะว่าอาการของท่านหนักมากนะแต่ได้ฟังธรรมเทศนาของพระเทเจ้าพอพระองค์กลับไปจานั้นไท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหั น, น์ได้สําเร็จนะจากนั้นท่านก็นพระพุทธองค์ก็กลับไปที่กุติประชุมสงฆ์แล้วี่ เรียกพระสงฆ์ทั้งหมดมาประชุมบวปรูก่อนสองทั้งหลายเราไปเห็นผ้าติดสะป่วยเมื่อกี้นีไม่มีใครดูแลต่อไปภายภาคหน้าพระสงฆ์ทั้งหลายมาบวชในศาสนาของเราตถาคตต่างคนก็ต่างมาไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีญาติเมื่อเข้ามาช่วยอยู่ด้วยกันพวกเธอท่านทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้ดูแลกันถ้าว่าพวกเธอท่านทั้งหลายไปดูไม่แลกัน ถ้าเห็นภิกษสุขเจ็บไข้ได้ป่วยปรับอบัตทกกผิดศีลผิดวินยัยผิดกฎหมายของพระนี่แหละพูะองค์ก็บัญรรลุวินัยขึ้นมาโอ้เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยวินัยตรงนี้ก็ละเอียดถี่ท่วนมากนะจากนั้นตั้งแต่บัตดนั้นมาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพระสงฆ์ก็ดูแลกันทีนี้พอท่านมรณภาพลงไปแล้วเท่าไหพระพุทธองค์ก็บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายเอานําติดสะ ไปประชุมเพิงซะในเมื่อไปประชุมเพลิงแล้วให้นำอธิธาต์ของท่านไปบรรจุไวในทางสี่แพ่งให้ประชาชนได้กราบได้ไหวเพราะว่าติสสานี่ไม่ใช่เป็นพระปุถุชนนะเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระหรหันธ์ท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลแล้วเป็นพระหรหันธ์อธิธาตของท่านสมควรที่เป็นถูประหะบุคคลสี่จำพวกกระดูกพระพุทธเจ้า ก ร, ก, รรกระดูกพระปฏิเจกพุทธเจ้ากระดูกพระทหารตสาวกรกระดูกพระเจ้าจากักรพรรดิทั้งกระดูกทั้งสีท่านเนี่ยสมควรยิ่งที่จะเอาไปไว้เป็นสร้าง ส, างสถูปและเจดีย์ไว้ในทางสีแป่งให้คนได้กราบได้ไว่ายอันนี้คื อ, อ, อความเป็นมาของพระติสสะเถระนะจากนั้นก็พระสงฆ์หลายก็สงสัยอีกว่าเอ๊ะทำไมพระติสสะนี่ แต่อนนัิสงส์มรักผลนิพานมีถึงขนาดนี้ยังมีกรรมหนักขนาดนี้มันกรรมอะไรหนอเนะ่ยผสมกัสงสัยบาเ น, นี่ยคนที่มีบุญเท่านั้นน่ยจะได้สําเร็จมรักสําเร็จผลแต่พระติสานี่ทำไมจึงได้มีบาปกรับรอะไรทําไมจึงได้ใช้กรรมถึงขนาดนี้ก็ไม่นั่นไม่น่าจะไม่น่าจะใช้กรรมถึงขนาดนี้เพราะมรักผลนิพานของท่าน สั่งสมบุญกุศลมาเต็มเปี่ยมพอแรงแล้วนี่พระสงฆ์ก็สงสัยน ะ, ะถ้าเป็นเราพวกเราก็คงจะสงสัยเหมือนกันคนที่มีบุญทําไมใช้กรรมหนักถึงขนาดนั้นนะพระองค์บอกว่ากรรมเก่าของเขาในอดีตพระสงฆ์ทั้งหลายพระโตพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลถามาพระพุทธเจ้ า, ยา ว, ว่าบาปกรรมมันในหนอพระเจ้าข้าที่พระติสสะได้ทําไว้ทําไมกราบบาปกรรมหนักถึงขนาดนี้พระองค์บอกว่าในอดีตชาติของเขานะเขาเป็นนายพรานนะ ในพรานนกนะเขาจับนกมาขายในชาติหนึงของของอายุเขาเขายืนมากแล้วก็จับนกมาขายทุกวี่ทุกวันถ้านกตัวไหนถ้าขายไม่ออกขายไม่ขาดในวันนี้็ก็หักปีกหักขามันไว้เพื่อเอาขายวันพรุ่งนี้ถ้าตัวไหนขายออกไปแล้วก็ขายไปแต่ตัวไหนขายไม่ออกก็หักไว้เพื่อไม่ให้มันหนีไปที่อืน่นนี่แหละเขาทาอยู่ตั้งหลายร้อยหลายพัยนปีจากนั้นก็นี่แหละ บาปอากุศลส่วนนั้นของเขาแต่บุญกุศลของเขาน่คือสมัยนั้นะ่ะเมื่อเขาเป็นในพรานนกเขาไปหาป่าไปหาดักนกในป่าเขาไปเห็นวันหนึ่งพระหันท่านอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำวันนั้นฝนตกตกเจ็ดวันเจ็ดคืนท่านบินธบาทไม่ได้เพราะท่านไม่มีร่มท่านอยู่ในถ้ำ อ, องค์เดียวนายพรานคนนี้ก็เลย พระคนท่านเนี่ยเขคงจะหิวอาหารเพราะไม่ได้บินถบาดหลายวันเพราะฝนตกแต่สําหรับเขาไปหาดักนกเนีเขาไปหาจับนกใช่ไหมเขาไม่กลัวเลยเขาไปที่ไหนก็ได้แต่นี้เขาก็เลยมากลับมาถึงบ้านไปนึงเขาก็เตรียมอาหาร เ, เ, าเตรียมอาหารอย่างนั่นแหละท่าที่เขาอยู่เขากินนั่นแหละเอาไปถวายพระถวายพระพระหันแต่พระที่อยู่ในถ้ำเนี่ยเป็นพระหันนะทีนี้ เป็นผู้พระอรหันต์เป็นผู้ปฏิสัมพิธาอีกต่างหากอาพอไปถึงนั่นแล้วชายนายพรานนกเนี่ยก็เลยเอาอาหารเข้าไปถวายพระอรหันต์อยู่ในถ้ำที่ท่านอยู่องคเดียว่พอถวายสาธุเนอร์ผู้ฆ่านี่ได้ถวายอาหารพระคุณท่านพระคุณท่านได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างไรรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอย่างไรก็ขอให้ข้าพเจ้ารู้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรม อย่างที่ท่านรู้เห็นด้วยเทิด พ, พระอระหรันต์องค์นั้นเทาน่ากับเอวังโหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จ น, นี่แหละอานิสงส์ของเขาที่เขาได้ทําบุญในคราวนั้นครั้งนั้นเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาเพอมาเกิดมาชาตินี้บุญกุศลตัว น, นั้นแหะเกื้อกูลหนุนเขามาตลอดนจนเขาได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลและกับบาปกรรมของเขาที่ได้เขาได้ทําร้ายทําลาย จับนกเป็นอาหารเป็นอาชีพของเขาบาปกรรมตัวนั้นก็มีคนคนเราเกิดมาทั้งทีชีวิตนะไม่ใช่ว่าจะทำแต่บุญอย่างเดียวก็ไม่ใช่ไม่ใช่จะทำแต่บาปอย่างเดียวก็ไม่ใช่บางทีเราก็ทำบาปมากกว่าบางทีบางบางครั้งเราก็ทำบุญมากกว่าเนี่ยแต่ถึงยังไงก็ตามนะพวกเราคณะสัทธาจา่าโจมที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพอ่อทั้งหลายทั้งปวงนี่นะถึงยังไงเรารู้ว่าบาป กรรมชั่วอย่าทำเฉยดีกว่าเมื่อกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าการทํากรรมชั่วจะให้ผลอย่างนายพรานกนั่นเกิดมาถึงจะได้สําเร็จเป็นพระทหารก็จะเป็นฝีเป็นหนองจนทําให้ตัวเองทุกทุกยาก เ, าเกือบจะทนไม่ไหวจนถึงกับมรณาภาพให้หลายเพราะได้ทํากรรมไว้ในอดีต แต่พร้อมกันก็โชคดีตัวเองได้ทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลไว้กับพระอรหันต์ทวกพยิ่งได้บุญได้กุศลจุดจุดนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนี่มาคราวนี้ครั้งนี้พวกเราก็มาช่วยกันสร้างโรงพยาบาลอําเภอสังคมเพื่อสร้างขึ้นมาก็ไม่ได้ใช่ของผู้หนึ่ ง, ผ, งผู้ใด เ, เราก็ได้ฝากฝังทรัพย์สมบัติไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ใช่ว่าปีนี้ปีเดียวมยเป็นจากนี้ไปเป็นร้อยปีนะเมื่อพวกเราจากผ่านไปแล้วนะโรงพยาบาลสังคมหลังนี้ก็ยังอยู่นะเมื่อพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ได้มารักษาในโรงพยาบาลพวกเราก็ไดบุญได้กุศลจากครูบาอาจารย์จากผู้ที่ประกอบคุณงามความดีจากผู้มีศีลเพราะนั้นเราสร้างสาธารณประโยชน์อย่างนี้หลวงพ่อมั่นใจว่าเกิดประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศล สำหรับพวกเรานานเท่านานเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสร้างบุญสร้างกุศลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายการกล่าวสัมโมทนิยกากถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนนัดไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเถิน